ต้องตั้งใจฟังวันนี้จะปลารลบทำให้ฟังปลารลบทั้งเรื่องมาฆะอันนี้ยเพราะวันนี้เป็นวันมาฆะมะครัจะเลิกเือนสามเห็นพระคงจะได้พากันฟังแล้วเรื่องต่งตางๆมาฆะาก็ดีวิสาขะก็ดีอชั้นหะก็ดดี เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาจะเล่าแล้วพ อ, อเป็นเรื่องเราเล่าสักหน่อยมาคระคือวันพระพุทธเจ้าท่านประธานว่าแกพิกษุสงฆ์ท่นสองร้อยห้าิบองค์พระสงฆ์นั่นเป็นพระกินาศบทางมดโดยที่ไม่ได้นิมนต์ เชื่อ เ, เชิญเลยแล้มาไปมาไปชมสุสานที่สกานทว่สถานในเวลาวันเนื่องสามเ็นเก็จะใช้จันทร์วันนั้นธรรมดาพระ เ, เจ้าแต่ละองค์ละองค์มีการไปชมใหญ่ครั้งหนึ่งก็มีสองครั้งก็มีไม่เกินสองครั้ง ถ้าพระพุทธเจ้าของเรามีการไปชมมาครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่มีอีกหรอกพระเทศสศนาโอวาทปาพระองค์ทำทีสุดที่โสดคือทาอุโบสถโดยครบถิสุ ด, ด, สดเลยแล้วก็เทศโอวาทปาที่มองให้ปักในทํากางสรงเป็นวันเดือนสามเพนนะ่ะ วันเนินหกแผ่นซึ่งกรงกับวันตรัสรู้วันวันพิสูตวันตรัสรู้วันปรินิพพานทั้งสามการมบรรจบครบวันเดียวกันเลยนั่นวันสำคัญวันหนึ่งแล้ววันอาสาหะคือวันก่อนเข้าวันสาวันหนึ่งวัน ปฐมเทศนาท ร, รมาจากกัประสนสูตรในป่าอิสีปตนามนกะทายวันเทศให้ปัญจวีชีทั้งลายห้าองค์ฝั่งนั่นเป็นปฐมเทศนาของุูธเจา้าการเทศนาวันนี้อจัจฉริได้ละโ อ, อเคเทศธรรมด า, มด า, ามธรรมดาคือคนสามัญธรรมดาพูดอันนี้แหละ แต่เอาเป็นว่าสามคตสามวันนี้นะ่ะวันมาคั้วันวิษีสาขาวันฤาษสาขานั้นมันกงกันกับวันศุกร์วันจัสุรุวันปารินิพพานะกับวันนักสานห์หคือวันธรรมเทศนาที่แรกของพระองค์เทศนา วันกวอนเข้าวิสาห์วันหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าทําไมพระองค์จึงไปเทศนาแ ต, ต่วันเพ่นวันต ร, รัสรู้ก็แตเฉพาะวันเพ่นวันพระสูตร็เพาะวันเพ่นวันพระนิพพานก็เฉพาะวันเพ่น ถ้าม่ฉชนั้นก็อินฟ้าอากาศเสื้อเดือนดาวอาจจะมีทีพย์ดสำหรับพระสงค์ได้สัตว์ลูกมั้งไม่ใช่อย่างนั้นหรอกความจริงสาวกทั้งหลายได้สําเร็จมาผลนิพพานก็ไม่ได้เลือกการเลือกเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เฉพาะจอจงให้ เฉพาะวันนั้นแต่บางเอื้นวันนั้นไปประสบพบพบเหมาะกับวันองเทศนาให้เลยคนทั้งหลายเลยผาสันนิยมนับถือว่าวันในวันเดือนปีคืนหรืออะไรต่างวันเทศวันดับันเลยเป็นวันสำคัญ ข, ของโหรทั้งหลาย โหนมีที่คนสำหรับที่จะดานให้โชคชตาแก่ผุ้คนผู้ท่า น, นก็ได้โหนเข้าใจกันอย่างนั้นจึงพากันถือกันมาจนกระทั่งบัดนี้แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าประเทศสนาอยู่วันคืนปีเดือนเลิกงามท่านบอกว่ายามดีทุกยาม เลิกดีทุกอยางทุกเมื่อทุกอย่างอย่างโลกเทศนาสุนักัตา่างนักขัตเลิกดีสุมังคลังมงคลดีสุปาก็สังแสงสว่างดีสุขโนสมุทโตจ่คู่ดีอย่างดีวัดปะทักกินังกายกามังวจากามังปะทักขินัง ทำเป็นพระเจ้ินคือว่าทําการทํางานให้เป็นพระเจินนี่คือหมายถึงว่าทำแข็งแรงแก่งกลาก้าแก่งกลาก้าคือทําให้เป็นมือขวัวถ้าฉะนั้นก็ลองให้คิดดูสิคนระับถ้าหากใ น, ในวันเดือนปีคืนมีทผลจริงหรือไม่จริงลองคิดดู ไม่ทำมันจะได้ไหมล่ะเรื่ อ, องนั้นเงินทองก็ดีชักสิยงเกียรติยดทื่อเสียก็ดีนอนอยู่เฉยๆให้ถึงวันนั้นลองดูมันจะได้ไหมนัม่นก็ไม่ได้รดีๆทุกคนต้องลำบากกับกรรมทำใ้โดยเต็มกำลังทุกคนถึงค่อยผลประโยชน์น ค, ค่อยเกิดขึ้นมา พระพุทธเจ 6, าทท้าทั้นกระทำจนหกพรรษาแต่ทําทุกการกิริยาจึงไม่จึงมาได้สังเดชทพโพทิยานในวันเพ็่เดือนหกนั้นมันมันเออบังเอิญไม่เฉยที่เดียวมันประสบเท่าในเวลานั้นเลยบังเอิญได้สังเดชทพโพทิยานพระพุทธเจ้าทำไมเชื่อเชื่อการทํา คือความคือการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของคนจะบรรโดดบรรดาลให้ไม่ได้เราะสิ่ ง, ง, งหนึงสวมดบรรโดดบรรดาลไม่ได้ถ้าบรรโดดบรรดาลได้คนทั้งหลายดีมดนอนท่าวันคืนสีเดือนมันน่าจะมาหน่วยหนวยนวัคซีนให้เองหรอกมันนั่นนะท่นี้ วันสําคัญนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้รับสรุปกรีได้ดไปถวมาเทศนากรีหรือว่าวันประสุปฏิพันธ์หรืเฉพาะแต่วันเพ็ญคือวันเพ็ญ น, นั่นอาจจะเป็นเพราะความนิยมของคนนับถือว่าวันเพ็ญ น, นักเป็นนักขัตฤกษ์ประ จ, จันเต็มดวงสวยงามสดสว่างใสใสสว่างที่จุด ที่ใจก็เบิกบานด้วยมันอาจจะเป็นเช่งนั้นก็ได้คราว น, นี้เรามาคิดถึงตัวของเราทุกคนนะ้นะถึงวันเป็นเช่นนี้แล้วเราควรที่จะทำานวนตนให้ใสสว่างเหมือนกับไระจันอย่าไปอยู่นิ่งนอนจใจเฉย คอยทาเป็ยแสงสว่างมองดู้ต่แสงสวาง่งสงสวางไม่ได้มองดูแสงสว่างในตัวของเรามีอะไรบ้างที่มันปกปิดในตัวของเรามันไม่สใสสว่างให้พิจารณาตรงนี้ความมืดมัวที่หัวใจของเรามันมืดมัวด้วยอาการยังไงด้วยความโลภ พอคิดแต่ความโลภอยากจะได้ซึ่งนั้นนั้นใจเลยเศร้าหมองควมโกรธกุ้มอบกุ้มใจทำใจให้เศร้าหมองไว้ฟองใสไม่มีรัชหมีของใจมันก็เลยไม่ทองแสงออกไปให้ปรากฏ ความหลงยิ่งแล้วใหญความหลงในสุโมฮะเรียกว่าความหลงหลงมัวเมาในสิ่งสภาพทางวงวัดควอยากทีเก่เยอ้าอยานดินหลดอันนั้นเลความหลงสามอย่างนี้เป็นอุปเปสสักของเป็นเครื่องมัวหมองของจิตเป็นอุปสักของการ ค่องใสข่องใจนั น, นเอาเอาสามอย่างนั้นซะก่อนเครื่งองหม้หม่องผ่อ ง, องใจเหมือนกันกับมเมฆหมอกมันคุมพ ร, ระจิตไอ้คุมพห้จับถึงวันเ็นก็เอาเถอะถึ ง, ถงพระาทิต์ที่เจริญจ้าอยู่ก็เอาเถอะถ้าหากเอามีหมอกมวล มีไอเมฆหมอกอีนน้รแล้วคุมมดไม่เห็นเลยใจของคนเราก็เหมือนกันใจแท้เลยมันมีอันเดียวใจไม่หลายอย่างใจอันเดียวเท่านั้นนะแต่มันแทรกซึมเข้ามาเรื่องกิเลสทั้งหลายลมันมวหมองให้ศหมองไม่พองใสมันยึงไม่มองเห็น ใจมีอันเดียวได้ยังไงที่อยากได้เห็นใจเป็นของมีอันเดียวนั้นต้องทำอย่างนี้ความคิดความปรุงความแต่งความส่งใสไปตามอารมณ์ต่างอารมณ์นั่นคือเกิดจากอาจน้าทั้งหกเกิดจากตาอย่างตาเห็นรูป ตาไปมองรูปเกิดความชอบใจความดีใจความอิมใจถ้ารูปดีถ้ารูปไม่ดีก็เกิดเศร้าหมองจิตใจไม่ร้องใสรูปไม่น่าปพอใจเรียกว่ า, านิทาลงามเกิดนมันใจเนี่ย นั่นมันเป็นหลายใจไปแล้วน่ะไม่ใช่ใจอันเดียวเสียงถ้าเพราะหากเพราะก็ชอบใจไม่เพราะก็ไม่ชอบใจตัวอย่างเขาด่าเขาว่างเนี้่เป็นต้นโคมันนัดน้อยใจกันงหลายวัน้อยคืนถ้าหากว่า เ, เสียงเสียงเพราะเขาพูดดีพูดเพราะติโตผิดใจ ชอบใจนั่นแหละนานก็ไม่หาอันนันแหละมันเศร้าใจมันเศร้าหมองแต่คนเข้าใจว่าคองใสแล้วหลือพิจัยเบิกบานเขยอดสบเซนสนเลยมีใจพอใจความพอใจของตัวนั้นเรียกว่าคนทัหลายเข้าใจว่าพิจัยเบิกบาน กินลดโสดพระธรรมอารมณ์ก็เหมือนกันน่ะเนี่ยสิ่งทั้งไอทวารทั้งหกนี่มันรับอารมณ์หลายอย่างหลายเรื่องรวมรวบรวมเรียกว่าอารมณ์ดีเรียกว่าพิธาลมอารมณ์ชั่วเร็วาอานิธาลมนี่มันเป็นเหตุหลายอย่างเลย่ะคิดของเรามันเป็นอหมอง ในสิ่งอันั้นมันก็ยังพัวพันในสิ่งอทั้งหลายนั้นมันก็เลยเป็นหลายอย่างไปจิตใจมันเอมันก็เลยเศ้าหมองไม่หมองเห็นตัวเองหากว่าเข้าใจอย่างนี้แล้วอันนี้โอ้มันเป็นอารมณ์ทาให้จิตนี้หลายอย่างหลายเรื่องคูดหมายไปหลายหลายเนี่ยหลายมุมเข้าใจอย่างนี้แล้วเพิกถอนซะ ไม่ก็ไม่มีอะไรพอหายทิ้งมดไม่เอาเป็นมนเป็นไม่เอาเมเอาเป็นมาแต่งมาแจ่งตนก็ปล่อยทิ้งมดเลยถ้าปล่อยทิ้งันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเหลือใจอย่างเดียวนเงี้ยในใจอย่างเดียวแต่ปากพูดว่าใจอย่างเดียวตรงนั้นน่ะถ้าหากใจเป็นของเศร้าหมองมาเจอใจไม่คลองใสมาเจอเบื้องตน ลองดูคนเราผม พ, พืชปฏิบัติสินธรรมปฏิปฏิกรรมฐานมันจะฟองใสได้งไงกระยางเล็กหรือว่าไม้ที่มันไม่ฟองใสเมือ่อกะแก้วคัดยังได้ก็คัดเถอะเล็กเยคัดเท่าไรก็คัดเถอะ ไม้ยังคัดยังได้กับัดเถอะจะห้มีงามีใสสะอาดเมื่อกขแก้วไม่มีเพราะมันเนื้อมันหยาบมันหยาบไปนบนต้นแต่สาเนาถอกถ้าหากเป็นแก้วละไรพวนี้เนื้อมันใสสะอาดเนื้อมันละเอียดอะไรไม่เปิดเดดื่อนได เอาหน้ามาล้างมาเช็ดออกไปมันก็กลับใสขึ้นมาหัวใจของคนก็เหมือนกันของที่เป็นกิเลสมันจอนมามันมามัวหมองทําจิตไม่ให้่องใสถ้าหากกรเพิ่ถอนนั้วไปมดกิเลสทั้งหลายนั้นออกไปหมดแล้ว มันก็ใสสะอาดอยูยต่างเดยพระพุทธเจ้าฤาษีสาวกทั้งหลายท่านคัดเข้าไปบน่นั้นนะ่ะคัดเข้าไปตรงนั้นนะ่ะจะเห็นผลใสสะอาดของใจอย่างนะี้ท่านอย่างไดเสนเร็จงดที่ผฬารคำว่าจิตตังอาพสรังจิตเป็นของผ่องใสอาคารทุเกศิเลเซหิศิเลเ่องของจอนมา หมายความว่าธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสมาแต่เดิมผ่ อ, องใสของจิตไม่ใช่ของใสสะอาดโดยป่าดโอยโดยมีปัญญาผ่องใสสะอาดโดงมีปัญญาตั้งหากผองใสสะอาดตรงนี้ตั้งหากไอจิตตังค์พระสรังฆ์นี่ตั้งหาไม่ใช่อย่างนั้น ห้าหากว่าจิตใจฟองใสโดยมีปญัญญารอบรูร้รอบเรื่องรู้เรื่อ ง, องทุกสิ่งทุกประการกำ จ, จัดกิเลสออกไปได้หมดขัะ น, นั้นเป็นจิตใจที่ฟองใสโดยพื้นสุดโดยแท้อันนี้ฟางใสในหมายความว่ามีจิต ด, ดวงเดียวเมื่อไม่มีกิเลสแล้วก็ยังเหลือใจจิต รันนั้นเป็นแกงสารของตัวของเราแล้วเกิดมาไม่สามารถที่จะเห็นจิตได้จึงเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตเมื่อหมองดีกิเลสต่างหากว่าถามาว่าคัรวะจะทำไงได้ทำไงจะผ่อง ถ้าหากว่าเราละลงไปวางปล่อยวางไปมันก็ฟองใสเหมือนกันหัดให้ได้บ่อยๆหัดให้มันได้ให้มันชำนีิชำนานกิเลสมันมันอยู่ในกองกิเลสก็ตามเถอะตัวของเราอยู่ในกองกิเลสก็ตามแต่ว่า ห, าหัดถ้ามันถึงจิตบ่อยๆให้มันเข้าถึงใจบ่อยๆ มันเห็นตัวจิตตัวใจมาบ่อยมันจะมี่ํานาญหากต้องการเวลาใดก็เข้าถึงจิตถึงใจมอนั้นในเมื่อมันยุ่งเรือการงานยุ่งด้วยภ า, าระภาระทุกสิ่งทุกการก็ปล่อยไปสามเรื่องเถอะแต่ว่าไม่ไม่ทิ้งสติให้รู้ตัวว่าเวลานี้นั่งหัวหมอ ง, มองเข้าหมองด้วยกิเลสมื่อคลุกคลีด้วยกิเลสให้รู้ตัวอยู่ อย่าไปเผอสติเมื่อต้องการเวลาใดพิจารณาให้เข้าถึงจิตให้เข้าถึงใจอย่างอี่มาที่ห้ฟังมาแล้วเรื่องจิตกับใจมันต่างกันอันเดียวกันนั้นน่ะมันเปลี่ยนสภาพต่างหากจิต ค, คือคิ ด, คค ด, คค ด, ดก็คิดเพืนึกผู้ฟุงผู้แตงนะฮะ มันคิดมันนี่ความปรุงมัแต่งหมดไปหลายเรื่องหลายอย่างอันนั้นนะเป็นหลายอันนัน้นหลายจิตหลายใจที่เรียกว่าหลายจิตอารมณ์ต่างหากแต่มันหลายนั่นคันเมื่อละอารมณ์ทั้งฟองหมดของท่านหลายลวันนั้นหมดไปแล้วไม่ค่อยยังเหลือได้ใจอะไรอย่างที่ว า, ายไว้ใจมันใสสะอาดคือมันใส จ, จากอารมณ์นั่นเองมันสะอาดจากอารมณ์มันก็ใสท่านี้ อย่างอะไรมาชักคูก่ความหามายมาฟังถ้าอยากเห็นใจกั้นลมหายใจอ่ากั้นลมหายใจมันชิดเฉยอยู่มันมีอะไรมันไม่มีอะไรให้มาเข้าถึงนั้นเสมอเข้ามาัในชำหนี้่ํานานทําอย่างอเราอยากจะเห็นใจของเราการั้นลมหายใกั้นลมหายใจแล้วมัดเรื่องหรือเอ า, อางี้ก็ได้ ถ้ามันโกรธเขาหรือว่ า, าเกลียดคนใดคนหนึ่งท่านลมหายใจสักพักหนึ่งหายมืนกันไม่มีอะไรมี่ที่ใจเดียวไม่มีอะไรที่เฉยอนนั้นจะได้ชัว่วคราวหาแคเห็นใจแค่ ก, ก่อนท่านเห็นใจแล้วทานนี้อันที่มันโกรธนีเพราะมันมันติดจิตเขาหนึ่ง รู้จักอะพันไปจิตเราชำระจิต้นทำมันหมดจดจากอารมณ์อยากอารมณ์ทั้งปวงหมดชำระเข้ามนสะอาด จ, จะถึงวันหนึ่งถึงใจวันหนึ่งคราวนี้ถ้าชำระอย่างนั้น้วเห็นชัดเห็นจริงด้วยตนเองไม่เหมือนกับหรอกั้นลมหาใจ เกลัานลมนี่มันไม่เห็นชัดจริงๆเพียงแต่ว่าเห็นความสงบความเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละไม่คิดไม่นึกไม่นึกไม่คิดอะไรหรอกเฉยอาณนเปียงจะเห็นจิตครั้นี้เรามจมลังคล่องแค่ล่ะเห็นโทษเห็นภัยเห็นเหตุเห็นผลของมันของเราพิจารณาเราละจิตลงไปได้เข้าถึงใจขันนั่นแหะ จิงอยกเห็นความเป็นจริงของมันอธิบายวันนี้ก็พอสมงควรเก็วเวลาเนป้ะการเสร็จนั่งภาวนาเรียกว่าทาตามทาตามเทสนาที่ให้ที่เทศเดี๋ฟังนะให้สองตัวฟังเทศฟังธรรม คือทำตามมันเองฟังทำไม่ใช่ฟังธรรมะทะรอาทำจริงๆนี่ฟังแล้วทำาลันจริงๆริงจังทำยังไงจึงคิดจิตสงบให้ทำอย่างนี้คือว่าทำสมาธินั้นไม่ต้องนั่งสมาธิคัดสมาธิหรอกเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้ จะนอนเอมักอยากรับก่อนให้นั่งเสียมันทรมานมันหน่อยมันชอบสนุกสบายมานานแล้วอะไรๆก็ขี้เกียจเต็มขี้เกียจนั่งไม่เต้นนอน้วถ่ายเดียวพระพุทธเจ้าทั้งในสมเร็จพระกวนิพันก็เพราะนอนกูชีโตนิริวิวิริโยท่านบอกว่าคนขี้เกียจนอนนั้น เป็นคนคนเกียรติ้านนอนนะไม่ได้สําเร็จเพราคนที่ผานไลยวพระองค์สําเร็จเพราะการนั่งนั่งนจริงๆทุกอวดเมื่อยด้วยการต่างๆอ่ะชําระจิตใจของตนมันไปคล้องในคนที่เกียรีิค้านกับชาระใจของตนที่จิตัไปเกี่ยวข้องมันนะมันไปมัวเมาวิ่งของมันนะชาระมันมดทุกสิ่งทุกอย่าง จนกระทั่งมันเหลือแต่จิตเดียวความที่เจ็ที่คันเหน็ดเหนื่อยก็ไม่มีถ้าเหลือแต่จิตเดียวหรอมันหายไปเองอความเหนื่อยไม่ปรากฏเลยถ้ายังปรากฏอยู่เอาอีกมันไม่พอความเหนื่อยไอไอันนั้นไอความเพียรนันไม่พอ ละมันมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือยในจิตในใจจนมันเหลือแค่จิตอันเดียวไม่ป้ากฏเลยของอะเรื่องกายก็ฟ้ากดเองสบายเบิกบาใ น, นการทําสมาธิเราเป็นอย่างนี้การฝึกหัดศาสนา์หามเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแก่ลักก็นอนไม่เห็ความเจ็บเกลียดขี้ขลาดเอาก็นเองจริงจัง ยิ่งวันนี้เป็นวันวิจาข่ะบูชาระบูชาทุกอย่างบูชาดอกไม้ทุกเพียนบูชาความเหน็ดความเหนื่อยบูชาความขี้เกียจที่ขานบูชาแหงแก่รับแกนอนบูชามดทุกสิ่งทุกอย่างเอาเป็นปฏิบติบูชาให้รับูชาแล้วบูชาดอกไม้ทุกเพียนบูชาแล้วะ ปฏิปฏิบูชาี่ปฏิบัติจริงๆเอาเด็ดเดี่ยวกระหายใจริงก่อนจะทำสมาธินั้นให้เข้าใจว่าจิตใจของเรามันทรงใยมันไม่อยู่คงที่เราจึงหัดสมาธิใจว่าเป็นของมีตนมีตัว แต่มันเที่ยวไปในที่ต่างๆเที่ยวโดยที่ต้องตั้งใจจะเที่ยวแต่มันพาแต่มันเที่ยวไปเองความที่มันไม่อยู่นั้นเนี่ยจึงจําเป็นต้องฮัดมันจะฮัดยังไงฮัดสมาธิไม่มีตัวมีตัวจับมันก็ไม่อยู่ไม่ทราบว่าจับต้องไหนอยู่ก็หน้าหางไวจับเป็นเอาคำวิธีกรรมมาสิ ม, bills, ม, cards, มันึกพุทโธพุทโธหรืออนาคปาสติก็เอาเอาเดียวมันนึกพุทโธกับพุทโธได้หรืจิตเนมันนึกกัตัวจิตมันนึกพุทโธไม่ใช่หรือเขาจุดตัวจิตนั่นสิไว้ที่พุทโธแล้วอนาปาสติก็จิตนั่นสิไว้ที่อนาปาสติไม่มีจิตมันจะนึกคิดเลยมันนึกมันก็มันก็มีจิตนั่นสิจิตตัวนั้นน่ะสิกำหนดเอาตัวนั้นแ่ะไว้กับพุทโธน่ะไว้อนาปานุสติ มันก็อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ทําไม่ทําสักทีไม่ทําให้มันอยู่นะทีพูดคอก็นึกจะพูดพูดจะปากพูดจะนึกนจะมีแต่นึกเฉ ย, เยแต่เลยส่งสายไปหาไหนะทำไมจา่าไม่ก็โทรอยู่นอกคนไม่ก็โทรอยู่โน้นนอกนอกตัวของเาุานไม่เห็นตัวพูดโทรแล้วไม่รู้จักว่าเราจะฟึกหัดอะไร เราต้องพูดฮัตจิตนั่นแหละสิถ้ามันอยู่กับผู้โทนเดียวไม่คิดไม่นึกสงสายไปไหนเราจะพักผู้โทนเดียวแล้วเนะี่ยจิดมันก็อยูอ่อันเดียวแน่วแน่ย่างเดียวมันเป็นสมาธิแล้วขันฮัตอย่างนี้แลหละฮัดสมาธิฮัตต์ตอนนี้มันได้แลก่อน อย่าไปพึ่งทะเยอทะายานที่น้นอยากจะให้เป็นโน้นเป็นนี่อะไรต่าง ม, มันไม่เป็นหรอกฮัตพุไอ้หัดจะมัไอ้ัดจิตมันก็ไม่อยู่มันจะไปมันจะเป็นได้ยังไงฮัตจิป า, าปัญญาอะไรต่างราาาา้อยแต่สานการฮัตอิธิริธิเดชสารพัดาาทุกอย่างฮัตอะไรมันก็ไม่ได้เรารักษาจิตไม่ได้คุมจิตไม่อยู่แล้ว มันจะไปได้อย่างไงของคนนะั้นมันต้องคุมจิตให้มันอยู่สักก่อนเสียงมันยังก็ทำได้เอาฮาร์ดจะมาที่เลยแต่ทีนี้เอานี่ยเอาเอาที่วา น, นี่แหละ